ไทยทานพระครูบาอาจารย์มาอย่างที่พวกเราที่เคยจัดเราจะถวายไทยทานอย่างไรอันนี้ก็พวกท่านทั้งหลายก็ต้องได้คิดถวายพระสงฆ์แต่เราเน้นเรื่องสมผานเจ้าวาดมากกว่าแต่นอกนั้นเราก็ถวายไปไม่ให้ในเน้นเราเน้นเรื่องเจอ้อาวาดเพราะว่าท่านมีน้ำใจมาสู่วัดเรา เราก็ควรจะถาวายข่าน้ำมันท่านแต่สำหรับพระองค์โตโตเต๋มาอย่างอื่นเราไม่ต้องเน้นแต่ก็ควรจะถาวายบ้างอั น, นี้ก็สีิงเหล่านี้ก็เป็นแนวนโยบายของหลวงพ่อแล้วก็ทางครัวก็เหมือนกันวัสดุเสียงไหนที่เราจะต้องได้ใช้แต่เราไม่ใช้แบ บ, แ บ, บรู้ละโออาฟุ่งเฟืยไม่ใช่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 ทำแบบชังกระตายไม่มีกรรทำแบบจักดวัตวทธรรมไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทำอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะบอกอย่างนั้นถ้าทำไ ม, ไม่เห็นแก่จิตกระจไม่มีแก่จิตก่จิตกรใจที่จะทำแลนะทำแบบไปเสียไม่ได้แปบลบว่าใช้ไม่ไดนะ้ถ้าอยู่ที่วัดของหลวงพ่อว่านักวัดถ้าอยู่ที่วัดหลวงพ่อนะพระประเภทอย่างนั้นแปลว่านะักนวะัดหนะีออกไปชะดีกนวะ่า ไม่ต้องให้อยู่ในหูในตาไม่ให้ขวางขวางหูขวางตาเพราะนั้นหลวงสิงเหล่านี้หลวงพ่อเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในองค์หลวงตาหลวงพ่อรับทกอย่างเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดกล้าแสดงการแนะนำํำให้กับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดต้องทําดีที่สุด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 ทำมาได้รับการศึกษาดีๆกันนะเป็นวัวเป็นควายต้องถูกไล่ซะก่อนให้ตัเพิดซะก่อนลไล่เหมือนวัวเหมือนควายให้นี้จากวัดอย่ามาอยู่แถวนี้นะขนาดนั้นเชี่ยวเหรอตอนนั้นพวกเราไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นเราอยู่นสถ า, านกาที่ใดต้องตื่นตัวต้องทาดีที่สุดอนะ่นี่แหละอันนี้แหละคือที่หลวงพ่อย้ากล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย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 พระเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าเป็นยังไงลงเอเวจีมหานรกนความอิจฉานั้นไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นความอิจฉาเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเป็นหนทางแปลว่าทางทางไปสู่เอเวจีมหานรกเพราะฉนั้นพวกเราจะไปทางทางเส้นเล็กทางเส้นน้อยทางเส้นใหญ่อย่าไปคิดไปทางใครจะได้หน้าอ้าวยกให้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 นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาให้พวก เ, าวกเราท่านทั้งหลายฟังนะฟังนะพอหลวงพ่อเองสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ลูกน้องบริวารลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพ่อลูกลูกของหลวงพ่อออกไปจากหลวงพ่อไม่ให้ลืมตัวให้เป็นพระที่ดีถ้าเป็นฆรวาสก็ให้เป็นฆรวาสที่ดีอย่าลืมตัว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 เอามาไว้ที่สาราจากนั้นก็นมอบให้ตำรวจเข้าไปแต่หลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูทางในครัวด้วยนะเพราะว่า ม, มันคนปีนรั้วเข้ามาอย่างนี้นะ่ะมันเจตนาไม่ดีแหละถ้าว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้ว่าคนที่มีความรู้หรือคนที่แต่จิตสมบูรณ์อันนั้นยิ่งไม่ดีแต่อันนี้มันทำมามันเข้ามาได้อย่างไง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 ขนาดแย้นะ่ตัวแยนะ่มันยังปิดรูของมันมันยังหามันหามันยังปิดรูของมันเราเป็นพระเป็นคนทั้งคนไม่รู้จักกระทั่งปิดประตูบ้านของตัวเองนะ่มันโง่ ก, กว่าแย่นะอันนี้ก็คือหลวงตาคำพูดของหลวงตาที่ท่านบอกกล่าวพระเพราะนั้นประตูรั้วประตูที่พักผ้าอาศัย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 อย่าไปเคาะอย่าไปทําให้มีเสียงอันนั้นคือเป็นการสัญญาสัญญาณความปลอดภัยสําหรับพระภายในวัดถ้าได้ยินเสียงกลางคืนดึกเดินขนาดไหนก็เถอะเราได้ยินเสียงเราเรียบไป อ, องค์ไหนอยู่ใกล้เข้าไปดูก่อนทางในครัวก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ฝ่ายพระอย่างเดียว ในครัวของเหมือนกันทําไม่สบายจะเป็นลมหรือมันผิดปกติเนะี่ยเอาค้อนทุบฝาอะไรปังปังปังปังปั ง, ปงาจากนั้นกูพู้ยิ่ใกล้ก็ไปดูกันอก่อนที่จะไปดูกับจับทีมหนก่อนไปชวนกันก็กอดคนนั้นคนนี้ไปนะมีอะไรฮะสองสามคนก็ใส่ไฟฉายไปไปดูมีอะไรนี่แหละอันนี้คือ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 ไม่ใช่ว่าทำอะไรแบบชังกระตายแบบรอเลาะแหล่ ะ, ะถ้าไปเป็นสมพานกับนั่นหากดห า, กหากเกณฑ์ไม่ได้รอเลาะแหล่หลไปเรื่อย เ, อเมื่อเป็นไปคารวะากันไม่คุ้มตัวเองอีกต่างหากรอเลาะแหล่อีกสรุปลักมาเป็นพระก็รอเลาะแหลกใช้ไม่ได้นะพวกเราต้องจริงจังและจริงใจการทำงานคูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวอะไรทำ ทำให้เข้าใจถามในเมื่อเข้าใจแล้วทาในเมื่อหมู่พวกเพื่อนมอบความไว้ว า, างใจมอบให้ทาทาแต่ช่วยกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยเรานเน้นหนักเรื่องน้ำเรื่องน้ำนสําคัญบางปีไม่บอกโม พอไปปิดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยไม่เปิดพอในสุดเนี่ยน้ำไม่ไหลจึงค่อยประเตอประเตกเกือบงานจะจบแล้วเสี่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราต้องคิดแล้วก็พร้อมกันแล้วก็ต้องถามต้องเอาคนฝ่ายผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยให้ไปเปิดกุญแจด้วยบางทีคนบางคนไปล็อก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 ตอนเช้ายัางค่อยมาแล้พักที่ไหนถ้าว่ามันไม่พักมันสุขภาพไม่ดีจริงๆมาไม่ได้หรอกมาก็ไม่สะดวกมากเ็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องมาก็ได้กราบอยู่ที่บ้านก็ได้จะกราบร้ อ, องพยาอินนะกาบที่บ้านก็ได้เป็นไรก็เหมือนเรากับสังเวทธนิยัตสังเวทธนิยัตสถานนั่นแหะประเทศอินเดีย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 จานังน้อยก็ต้องไปกราบลาท่านก่อนให้ท่านให้อนุญาตซะก่อนขนาดขนาดนั้นอนะ่ะขนาดเป็นพระเทระผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะจะไปไหนก็ต้องไปกราบลาพ่อซะ ก, ก่อนนะตัวนี้ก็วนัน่งก็เข้าไปนะั่นเข้าไปก็เกี่ยงกันแล้วงั้นสองพี่น้องจุงปู่ซิ่งทองก็ว่าพูดอย่างอื่นพูดได้ยุแต่จะพูดเอาจิงเอาจังที่จะไปอินเดียอย่างนั้น่ะ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 อาจารย์ทองมองมองหน้าอาจารย์สุพัทกจะให้อาจารย์ุพัทพูดอาจารย์ุพัทก็ไม่พูดใช่อาจารย์ุททองก็เกียงกันไปเกียงกันมาจนอาจารย์ทุทองกับผมโยมสุริพันธ์เขานิมนต์พวกกับผมนะพวกขน้อยนะไปอินเดียไปกราบสังเวชนิยสถานห้่สแหง่งมีครูบาอจารย์ไป30กสิบขะ กลผมก็เลยจะมากร า, าบพ่อแม่คุยจารจะไปกราบสังเวทธนิยสถานกับพวกโยมที่เขาไปนมนไปครับผมหลวงตาพอได้ยินเท่านั้นนะเกลียวหมกนะักมองขึ้นฟ้าเนะ่ยเอายาเส้นสีเกลียวแล้วก็มองฮะ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 อ่ไม่ใช่ว่าข่าทําดีแล้วพยายามมัจจุราชให้อภัยข่าไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าพ่อทำไปมันเหนื่อยเนยเข้าไปแล้วเป็นลมนะฮอพอเป็นลมเข้าไปแล้วพยายามมัจจุราชบีบคอซ้ำอีกตายเลยมันรู้จะไปไหนทีไหนี้ฮาะนั่นในพวกเราถูกๆท่านนะภาวนาสรุปแล้วนะทา้งในกลัวขาดเหลือขาดตกอะไรช่วยๆกันคิดหลวงพ่อมีแต่เรียกมากล่าวมาเตือนเท่านั้นนะอย่าไปหาทะเลาะกันนะ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 ก็ไม่ว่ากันเพราะบุญบา ร, รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ารวยก็รวยด้วยศีลด้วยธรรมอย่างพระศิวลีรวยเพราะพระพเจ้าท่านไม่ได้อิจฉานะพระศิวลีไปที่ไหนรวยพอเดินทางไกลาทางกันดารไปถามพระ อ, อนนท์บอก อ, อนอนท์ศิวลีมากับเราไหมเนี่ยมาพระเจ้าข่า